ความโปร่งแสงของเทวดาถามถ้ากายทิพย์ของเทวดาเป็นนามธรรมมีความโปร่งแสงผมก็เข้าใจว่าสัมผัสต่างๆบนสวรรค์คงไม่ต่างจากฝันคือไม่มีวัตถุที่แท้จริงแต่เป็นความรู้สึกซึ่งเกิดจากวิบากุศลปรุงแต่งให้ใจเห็น แล้วรู้สึกไปต่างๆใช่ไหมครับตอบส่วนใหญ่คำอธิบายเรื่องกายทิพย์มักสอให้รู้สึกเหมือนเป็นกายโปร่งแสงจับต้องไม่ได้ไม่เห็นหน้า ย, ยินดีเหมือนการมีเนื้อหนังแบบมนุษย์อันนั้นนับเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดยิ่งเพราะสิ่งมีชีวิตในแต่ละพบภูมิส่วนใหญ่ประกอบด้วยช่องทางรับรู้ผัสสะไม่แตกต่างจากมนุษย์ เพียงแต่ว่าเราแตะต้องเขาไม่ได้และกายของเขาไม่ใช่วัตถุทึบแสงสำหรับสายตาของเราแต่สำหรับพวกเดียวกันกับเขาอยู่มิติเดียวกันกับเขาก็แตะต้องกันได้และมีความทึบแสงสำหรับกันและกันเพื่อจะเห็นว่ากายทิพมีตัวมีตนจับต้องได้เกินกว่าที่คุณจินตนาการ ขอให้พิจารณาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับนิมิตการตายของเทวดาดังปรากฏอยู่ในเจวมานสูตรท่านตรัสว่าเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากหมูเทพนิมิตห้าประการย่อมปรากฏได้แก่ 1. ดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง 2. ผ้าย่อมเศร้าหมอง 3. เหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้สี่ ผิวพันธุ์เศร้ามองหาที่นั่งไม่สบายไม่น่ายินดีดังการก่อนเอาเฉพาะข้อสาคุณจะเห็นว่าเทวดาก็มีเงือดได้หากกายทิพย์เป็นแค่สีสันโปร่งแสงแล้วก็คงไม่มีการหลั่งเงือออกมาได้เป็นแน่และจากข้อสี่คุณจะเห็นว่าผิวพันธุ์ของเทวดามีความแปรปรวนได้ หาใช่ความฝันที่คงเส้นคงวาตั้งแต่เกิดจนดับแต่อย่างใดไม่ต้องปรับมุมมองใหม่ครับองค์าพยพแห่งเทวดาเป็นธาตุทิพ ท, ที่จับต้องได้ในหมู่เทวดาด้วยกันแม้น้ําเหงื่อแห่งความเศร้าหมองยังมีเลยเพียงแต่ภายในร่างทิพจะไม่มีของเหลวเช่นน้ําเหลืองหรือน้ําปัสสาวะขังอยู่เนื่องจากน้ําทิพที่เทวดาดื่มเข้าไป จะแปลเป็นความชุ่มชื่นของธาตุทิพย์แล้วเทวดาก็ไม่มีอุจจาระเนื่องจากอาหารทิพย์ที่รับประทานเข้าไปจะสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของธาตุทิพย์หล่อเลี้ยงธาตุทิพย์ไว้ไม่ให้แตกดับต่างจากกระบวนการทางชีวะเคมีของกายมนุษย์เป็นคนละเรื่องคนละมิติครับ